เขียนด้วยสอสาลารอเรือสรรีนะครับ 2. ตึกสกลมหาสังฆปรินายกสองณโรงพยาบาลละหานทายจังหวัดบุรีรัมถวายเป็นพระอนุศน์แด่สมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บสุขวัดมหาธาตุ 3. ตึกสกลมหาสังฆปรินายกสาม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 ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บแพติสัทเทโววัดสุทธัตเทเวราราม 13. ตึกสกลมหาสังฆปริณายก13ณโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร อ, อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยา น, นวงศ์ในวงเล็บหม่อมราชวงศ์ชื่นณพวง์ วัดบวร น, นิเวศวิหาร 14. ตึกสกลมหาสังฆปารินายก14ณ่ณโรงพยาบาลอ่าวลึกจังหวัดกระบี่ถวายเป็นพระอนุสอนแด่สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บปลดกิติโสภโนวัดเบญจมาบวพิษดุสิตวานาราม 15. ตึกสกลมหาสังฆปาริณายก15ณโรงพยาบาลตราด จ, จังหวัดตรา ถวายเป็นพระอนุสร์แด่สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บอยูยานทโยวัดสะเกต 16. ตึกสกลมหาสังฆปารินายก16บโรงพยาบาลภูกระดึงจังหวัดเลยถวายเป็นพระอนุสร์แด่สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บจวนอุทายีวัดมงกุฎกษตริยาราม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 วัดบวรนิเวศวิหาร